ผิดยังไม่น่าเป็นไปได้คือฟังบอกว่าอ๋อถ้ายี้ไม่ต้องทําอะไรเขาสรุปเอาตรงแค่ตรงนี้สรุปเอาเลยว่าอ๋อถ้ายี้การเข้าถึงทำคือไม่ต้องทําอะไรเลยถ้าทําอะไรคือไม่ถึงทำคือทฤษฎีถูกเป๊ะเลยแม่นเป๊ะอะไแบบเนี้ยพูดแบบนี้นะแต่มีความเป็นอยู่ไม่เปลี่ยนทำคือมีความเป็นอยู่โดยไม่รู้อะไรเลยคือปุงแต่งก็ไม่รู้ไม่ปุงแต่งก็ไม่รู้เป็นเรื่องผาจ้ำจริงๆเลยแล้วว่าเ๋ยอะๆๆฟังทฤษฎีทำไมพูดเป๊ะเลยตอนฟังตอนแรกว่าโอ้โหแม่นมากเลยแต่อยู่เกี่ยวว่างเลยคือไม่รู้อะไรเลยอ่ะ ปุงก็ไม่รู้ไม่ปุงก็ไม่รู้มั่วเลยและเป็นอย่างงี้ทั้งหลายคนงงมากเลยผมสอนเองเออไปเลยเข้าใจไหมว่ามันทฤษฎีอย่างหนึ่งแต่การปฏิบัติอย่างนึงเอาเอาต้องผลสุดท้ายเลยแต่ว่าปุงหรือไม่ปรุงไม่รู้เรื่องอ่ะคือถ้าหลงไม่ปรุงแต่งต้องรู้ไงถ้าไม่หลงเนี่ยไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยแล้วมันก็จะเป็นรักการรับภูตานชาติเองถ้าหลงต้องรู้ต้องทันทันทีถ้าไม่หลงไม่ต้องทําอะไรก็ว่าเป็นการรับุูตานธรรมชาติหลงปั๊บไปหยับปุ๊กหลงปุ๊บไปหยับปั๊บถ้าไม่หลงก็จบ สภาวะรู้มันหายไปค่อยง่ายพสภาวะรู้หายไปหลงทันทีเพราะหลงกับรู้นี่อยู่ในขนาดจีเดียวกันไม่ได้ถ้าสภาวะรู้หายพบต้องหลงทันทีสภาวะรู้หมาถึงว่ารู้ทั้งตาไว้จมูกไว้ริ้วใจใจไว้รู้ไว้อย่างนั้นน่ยรู้ที่เฉยพื่อไปทําอะไรรู้อย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเลยในการรู้ได้แต่รู้อย่างเดียวเพราะเป็นธรรมชาติที่สร้างมาให้รู้มีตาให้เห็นไว้หูก็ได้ยินไว้จมูกก็ได้กลิ่นไว้ริ้วกายรู้รสไว้กายก็รู้สัมผัสไว้ใจก็รู้ใจไว้สภาวะรู้เนี่ยอย่าหาย เมื่อไรสภาพรู้หายเนี่ยนั่นแหละคือหลงง่ายๆหลักง่ายๆเพราะในหนังสือจะวิจัยเยอะถ้าเมื่อไรเนี่ยไม่รู้ต้องหลงพั้นดินไปมันหลงไปคิดหลงไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหลงไปพรอมีคนสวยคนหล่อเข้าไปเข้าสภาพรู้ทั้งใจว่าคิดอะไรกับเขาลืมไปแล้วไม่มีแล้วไม่เหลือเนี่ยต้องประหยัดเลยต้องรู้สึกโตขึ้นมามันหลงแล้วต้องรู้สึกโตขึ้นมาก้ารู้สึกโตขึ้นมาให้หมิให้เหลือสภาพรู้พอรู้สึกโตัวขึ้นมาแล้วเหลือสภาพรู้แล้ว ไอสภาพหลงมันก็จะหายไปแต่ใจมันอาจจะมีลาาอยู่ยังมีโทรศาพทมีโมหาอยู่เป็นเรื่องขอมันเพราะว่าเราต้องการเพียงแค่สภาพรู้จิตคือตัวมาแค่นั้นเองไม่ต้องการว่ารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วอารมณ์หายไปทันทีไม่ใช่คนก็เอง เ, เขาจะผิดเดยอะมามาซัดอยู่ตรงเนี้ย คืออาจารย์ทําไมรู้จึดตัวแล้วโกรธจะไม่หายรู้จึดตัวแล้วไปราคะยังโกรธอยู่จะไม่หายคนปฏิบัติได้ยังพระใจติดตรงนี้รู้ทันเนี่ยมันหายไปหมายถึงว่าสภาพหลงเนี่ยมันหายไปแล้วก็กลับมามีสภาพรู้ตั้งเดิมเพราะว่าพอมีสภาพรู้ปุ๊บไอ้ความหลงมันก็หายไปเพราะว่ามันเป็นมันเป็นตรงขั้นนะถ้ารู้ปุ๊บต้องไม่หลงคือรู้ตังแต่หัวใจหัุลิกายใจตามปกติเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต้องไม่ได้ว่าเข้าใจอะไรนะต้อคอยไปตีเอารู้นี่คือเข้าใจมีสภาพรู้ที่เคยรู้ตั้งแต่หายใจเี่ยังมีอยู่เนี่ย สภาพหลงจะไม่มีแต่ถ้าท่าหลงไปแล้วเนะี่ยไม่รู้ทั้งเตาจั้ันรื่องการจสภาพหลงมันก็จะเกิดขึ้นอัน น, นี้อธิบายมีแล้วนหนังือไหลายเล่มมาบอกว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วเหมือนท่อไอเสียเนี่ยท่อไอเสียรถจักรยานยนต์แล้มอเตอร์ไซค์เนี่ย พอจอดปุ๊บเราจะให้มันเย็นท <ayd information. S 2> ันท like. ีมันไม่ได้เออมันจะค่อยๆจางนี่ยกตัวอย่างเรื่องสอนบ่อยมากเลยรถท่อรถได้เสียพอบอกว่าจอดปุ๊บจะให้เอามือไปแตะอาจารย์ทําให้เย็นเดี๋ยวนี้มันจะได้อย่างไงจอดปุ๊บมันก็ต้องมันแฝงนิจจังทุกข์ขังนะมันไปตามเหตุตามปัจจัยที่ว่าคุณเกิดอารมณ์แรงขนาดไหนคุณเกิดอารมณ์แรงผมก็เปรียบเทียบว่าเท่ากับคุณขับรถมานานคออเสียก็ร้อนจากคุณก็ต้องใช้เวลาแต่ถ้าคุณเกิดอารมณ์ค่อยคอยเสียงก็ไม่ร้อนไม่มากก็แป๊บเดียวเดี๋ยวค่อยๆเย็นไม แต่อารมณ์เนี่ยมันมันหายเพราะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องใช้เวลาเหมือนท่อไอเสียอาการทางใจทุกอาการเนี่ยเราทําอะไรกับมันไม่ได้เหมือนยืนโดยรถอยู่ริมถนนเนี่ยเหมือนกับยืนอยู่บนเสาธนเนี่ยแล้วก็มองมองรถพิกานบนถนนอาการทุกอาการที่เกิดขึ้นในใจจะดีชั่วสุกทุกกุศลอกุศลจะไปเพ่งไปจ้องจะหลงไฟไม่หลงไปจะอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณรู้มันทุกอาการเลยรู้ทุกอาการสภาพรู้ไม่หายนะไม่หลงเพราะอะไรก็เท่ากับว่าเห็นรถทุกคันที่วิ่งวิ่งผ่านหน้าเสาธรคันไหนที่วิ่งผ่านตรงหน้าเรารู้ทุกกคัันนรทุา่ เราทำอะไรกับมันไม่ได้เลยเพราะว่าเราอยู่บนสารอุทธรรถมันอยู่ที่บนถนนไม่ทาอะไรกับมันได้อุตส่าห์แยกให้อยู่ไกลๆกันอย่างนี้เลยเอาคนยืนนัอยู่ไกลๆเลยอยู่บนสาอุธร์นี่เลยรถหยู่นู่นที่หน้าสารเนี่ยแล้วมันจะรู้เฉพาะไอ้คันคันที่อยู่ตรงฐานหน้าเราเทนั้นแหละแล้วนี่ยเราทำอะไรกับมันไม่ได้เพราะเราอยู่บนสาอุธร์รถอยู่หน้าสารนั่นน่ะผมเลยต้องบอกว่าอาการทุกอาการเนี่ยถาสภาพรู้ยังเหลืออยู่เนี่ยรู้ทุกอาการเลยคือว่าจะดีชั่วถุกทุกบุญบาปกุศลอกุศลจะเพ่งจะจ้องจะจะแน่เดไปวอใจจะหล อาการน่ยถ้าคุณรู้ทุกอาการเนี่ยไม่มีหลงเพราะอะไรเพราะว่ารู้ทุกอาการเหมือนยืนดูรถอยู่บนสารุทธอเนี่ยไม่มีหลงว่าอะไรเราทําอะไรกับรถไม่ได้ไงทำอะไรกับอาการไม่ได้เพราะว่าสภาพธรรมชาติมันสร้างมาให้รู้อย่างเดียวอะไรนะั้นในหนังสือไอ้จบพิจารณ์มันบอกว่าอะไรนะสภาพของธรรมชาติรู้เนี่ย สร้างมาให้รู้อย่างเดียวอยากก็ไป่เป็นหวังก็ไม่ได้ฉะนั้นเน่ยมันมีแต่รู้อย่างเดียวมันทำอะไรไม่ปอยากอะไรก็ไม่ได้หวังก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้รู้เป็นแบบรู้ล่าขนาดแบบยืนอยู่บนสารวัตรแล้วรถวิ่งมาหน้าสารทำอะไรกับมันไม่ได้เลยมีสภาพที่ต้องยืนรู้อย่างเดียวแล้วถ้าดูทุกคันเนี่ยที่วิ่งผ่ า, านไปหน้าเนี่ยไม่ต้องหาจิตปัจจุบันว่าอะไรเป็นจิตปัจจุบัน เพราะรู้ทุกคันคือจิตปัจจุบันเพราะฉะนั้นนะถ้าบอกว่าถ้าเรารู้สภาพจิตทุกขนาปัจจุบันตามความเป็นจริงไม่ต้องไปไล่มันทุกอันหรอกตา ม, ม้องเหน็นหูได้ยินจมูกได้สิ้นรถไม่ว่าทำงานอะไรรู้ใจตัวเองตลอดเวลาไม่ต้องไล่เลยถ้ารู้ใจตัวเองตลอดเวลานะเพราะมันเท่ากับรู้รถทุกคันถ้าอย่างนี้สภาพหลงจะไม่มี พ่อสภาพรู้มีสภาพหลงย่อมไม่มีถ้าเมื่อไหรไม่รู้ใจตนเองหลงต่อให้คุณรู้ทุกอย่างจะไม่รู้ใจตนเองหลงพ่อสภาพรู้ไม่มีให้รู้ใจตัวเองรู้จิตทุกคิดทุกอาการรู้ทุกคิดทุกอาการเน้นมากเลยในหนังสือไมูุกี่ท่อนรู้รู้ทุกคิดทุกอาการเหมือนยืนดูรถอยู่ริมถนนดังนั้นเนี่ยที่ถามอยไปบ่อยว่ามันหลงอีกแล้วมันหมุนยิอีกแล้วมันไหลอีกแล้วะมันไปยิงอีกแล้วมันเปยิงอีกแล้วเออรารู้หรือเปล่าล่ะรู้เอารู้ก็ไม่หลงอยู่แล้ว แต่แต่อะแต่จะให้ลถเนี่ยมันเป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้เอาสภาพรู้แต่จะเอารถจะไม่งุนงิดจะให้ไปจ้องไม่ไปเพ่งไม่ให้ปพยายามไม่ให้อย่างนั้นไม่ให้อย่างนี้จะไปให้รถแต่มันเป็นอย่างที่เราเป็นถ้าอย่างนี้มันจะไม่ถามเลยว่าอาจารย์ทำไงหนูถึงจะไม่มีอาการนี้ทําไมหนูถึงจะรู้เฉยเฉยไม่ไปจิตไปกับมันทําไมหนูถึงจะไม่ทำไหนูถึงจะไม่หนูถึงจะไม่นหนูถึงจะไม่อย่างนี้ไอ้คำถามพวกนี้มันจะไม่มีถ้าตระจใจตรงนี้มันไม่มีแล้ว ทำอะไรกูก็รู้คุ้นไปเรื่อยแหละทำอะไรก็รู้ใจตัวเองไปเรื่อยตลอดเวลาไม่มีหลงอะไรเงี้ยสัพพภาพรู้ไม่หายไม่มีหลงต่อไอ้จิตมันจะเป็นกุศลนะกุศลคิดดีคิดดีคิดบุญคิดบาตคิดกุศลแต่เมื่อไหร่สภาพรู้ไม่มีนั่นแหละที่จะหลงไม่ใช่ไปเอาไปเอาอาการของจิตเป็นเป็นตัววัดแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยฟังแล้วก็จะเอาอาการของจิตเป็นตัววัดถ้ามีราคะโทสะโมหะถ้ามีพุงสร้างมุขหิตเบิอเตียงุ้มจะเอาตัวนี้เป็นตัวหลงไม่ว่าจะทําอะไรขอรู้ใจตัวเองไว้ใช้ได้เพราะอะไรสั ถ้าเมื่อไหรเนี่ยสภาพรู้ใจตนเองไม่เหลือหลงไม่อะไรจะลงมารู้ทุกคิดรู้ทุกอาการกแต่ว่ารู้ทุกคิดทุกอาการเหมือนดูรถอยู่ริมถนนเมื่ อ, อไหร่ที่คุณไม่รู้ใจตนเองถ้าก็หลงต้องรู้ทุกคิดทุกอาการปัจจุบันปัจจุบนันธรรมตอนนาาัทท้นที่เป็นธรรมรู้จากปัจจุบันไม่มีอะไรเป็นธรรมปัจจุบันคือรู้จิตปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันตามความเป็นจริงไม่ว่าจะทําอะไรรู้ใจตัวเองทุกขณะปัจจุบันนั่นคือปัจจุบันธรรมคือสภาพรู้มันยังมีอยู่รู้ใจตนเองเมื่อจะทำอะไรรู้ใจตนเองทุกขณะ อย่าไปเอาจิต ด, ดีแต่เอารู้เอารู้จบปีใจเนี่ยทุกคำเลยเนี่ยผ่านข้ามกระโดดไม่ได้นะบอกว่าศรัทธารู้ศรัทธารู้เอาก็จริงเ่ะทุกคนจะเอาจิต ด, ดีกว่าแหละมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแค่นี้เนี่ยคำสอนไม่อยู่แค่นี้เองเพราะมันไม่มีกว่านี้แนละ้ว เนี่ยตรงนี้สำคัญมากมันมีอยู่ในหนังสือจบที่ใจแล้วมีอยู่ในที่บันทึกไว้ทั้งหมดเนี่ยหนังสือทุกเล่มที่เขียนไว้เนี่ยจากกันไปกี่ปีเนี่ยมาเจอกันอีกทีนึงเนี่ยคำสอนก็อย่างนี้เหี่เพราะว่าเป็นธรรมนานเท่าไหร่อดีตปัจจุบันอนาคตเป็นอนันต์เป็นอนันตการคือไม่มีเปลี่ยนแปลงนี่เป็นหลักธรรมคาสอนไม่มีเปลี่ยนแปลงคนเน่ยเปลี่ยนแปลงคือตายไปเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆเปลี่ยนคนสอนไปเรื่อยๆแต่หลักธรรมอันนี้เป็นธรรมที่อยู่คู่โลกคู่ธรรมชาติความจริงมันง่ายแต่ทําให้เข้าใจมันยากแค่นี้เอง พอไปคิดได้เลยมันเลยมันไม่รู้แล้วสภาพรู้อยู่มันไม่รู้ซะแล้วมันโมแต่ไ like ปคิดหามันทิ้งสภาพรู้ไปพอทิ้งสภาพรู้ปุ๊บมันมันก็เข้าหลักอ่ะพอทิ้งสภาพรู้ใจไปคิดหลงเลยไปคิดที่เคราะที่ลนค้นหาคิดพยายามหลงอัโต้เลยเป็นสภาพหลงมาแทนที่แม้แต่ไปคิดหาวันทางจะให้เป็นธรรมให้เข้าถึงธรรมบรรลุนิพพานกลายเป็นหลงซะเพราะอะไรมันทิ้งสภาพรู้ที่เป็นธรรมเป็นธรรมไปเพราะรู้เป็นธรรมคิดเป็นโลกรู้เป็นธรรม พอทำมันคือรู้เนี่ยพอทิ้งสภาพรู้ก็หมดทำเลยมันทิ้งทำไปแปลเอาโลกแทนเมื่อไหร่คุณทิ้งทำไปทิ้งสภาพรู้ไปก็เท่ากับทิ้งทำไปคิดเอาไปคิดมันก็เป็นโลกถ้ากับคุณทิ้งทำแปลเอาโลกพราะคิดเป็นโลกรู้เป็นธรรมทาอะไรก็ขอยรู้ใจทําอะไรก็ขอยรู้ใจทําอะไรก็ขอยรู้ใจเมื่อไหร่คุณไม่รู้ใจคุณหมดต่ไปคิดหาวิถที่จะให้บรรลุธรรมเมื่อนั้นแนี่เท่ากับคุณทิ้งทำไปเอาโลกทันทีคุณไม่เข้าใจว่า ทำคืออะไรไม่เข้าใจว่าทำคือรู้แต่คุณไปคิดหาวุณธรที่จะบรรลุธรรมแต่กลายเป็นว่าคุดกับทิ้งธรรมที่คุณมีอยู่ในมือเนี่ยไปลโลกไปไปดิ้นรนค้นหาไปสงสัยจะเอาธรรมจะหาคุณธรรมที่ช่บรรลุธรรมโดยที่คุณไม่เข้าใจทิ้งสิ่งที่มีอยู่ในมือทิ้งไปคือทิ้งสภาพรู้ไปไปคิดและแทน ก็ข้างหน้าสอนอยังไงก็วิ่งแค่นี้นะคนเปลี่ยนแปลงตายไปคนสอนตายไปเปลี่ยนแปลงไปแต่ธรรมุตะเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงนั่นทำเนี่ยให้ตั้งเหตุทั้งผลไว้เป็นหลักทำคําสอนเจ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงตามท่างหลาก็ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ปฏิบัติให้ได้อย่า ง, า ง, างที่เข้าใจเนี่ยแล้วจะเร็วให้มีความเป็นอยู่โดยอย่าทิ้งสภาพรู้ใจมีความอยู่ในที่สุดคามเป็นอยู่ในที่ประจวันสภาพรู้ใจขอ ง, งนตนเองตามความเป็นจริงหมดไปนั่นแหนละเท่ากับไม่ได้ทำเลยคุณบอกปฏิบัติทำอยู่แต่คุณไปรู้อะไรปฏิบัติทำท่านไปรู้ใจตนเองเท่าาาาากกัับ้้ปฏิตลววนนททงง็ื หลวงาบอกต่อให้เดินจงกรมข้ามวันข้ามคืนสภาพรู้หายไปสภาพรู้ใจปัจจุบันตามความเป็นจริงหายไปเท่ากับคุณมาไหว้ข้าวัดกินมาใส่วัดนอนทำต่อให้เดินทั้งวันทั้งคืนเท่ากับว่าไม่รู้ใจตนเองนะครคุณไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั้นไม่ว่าคูณจะทําอะไรก็ตามถ้าคุณรู้ใจของตนเองตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นมันเป็นไงรู้เปนอย่างนั้นตามความเป็นจริงทุกขณะปัจจุบันสภาพรู้ไม่หายคุณก็เป็นทําเรื่อยไปไม่ว่าจะทําอะไรขอให้รู้ใจหรือกินรู้ใจจนถึงตามความเป็นจริงทุกระดับปัจาง นีทิ้งทำทเนี่ของที่มีทาที่สุดในมือไปแล้วเพืจะไปเอาอย่างอื่นอย่าไปคิดหาคำถามรู้นิพนบอกให้มีสภาพรู้ไว้ทำอะไรก่อนให้รู้จิตใจตนเองไว้ทุกขณะปัจจุบันตามความเป็นจริงก็จะทิ้งทำไปไปคิดอยูน่น่อไอ้สงสัยไปดิ้นรนไปค้นหาอยู่เนี่ยทำตเองมีอยู่ในมือก็เลยทิ้งไปนะมันยังน่าเสียดายอย่างเงี้ยงยงจะไปก็ไปอย่างสบายใจเพราะว่าทิ้งทำไว้ให้หมดแล้วหนังสือก็มีเทปก็มีทั้งหนังสือทั้งเสียงเนี่ยทิ้งทั้งเสียงทิ้งทั้งตัวทั้งส ไปตามรมเนียมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยผู้จัดการปฏิบัติต่อกันมากับแบบนี้เหมือนกัน